และบรรดาผู้ได้รับความรู้นั้นตระหนักดีว่าสิ่งที่ถูกประทานแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นสัจธรรมและจะชี้นำไปสู่แนวทางแห่งพระผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญลแล้วมารดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวเยอะเย้ยว่าเราจะชี้แนะแก่พวกเจ้าเอาไหม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 เขาได้ปั้นความเท็จให้แก่อลหรือว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วหาไม่ได้บรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อพระโลกนั้นจะอยู่ในการลงโทษและการลงผิดอย่างไกลลิบอาฟาลัมยรารูอิลามาบบย์นอัยดีฮิมวะมาขลฟาห์มมินสส์ม่าอีวัลอร์อินน์ชะนักซิตบีห์มุลอัลร์ดอาวนัซคัตอาลัยฮิมกิสเฟมมินะซ์ม่า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 ولسليمان ا ل ريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلا له عين القطب ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ر ب ه ومن ي ز غ منهم عن أمرنا نذقهم ن عذاب السعير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 เราใช้เขาได้ลิมรถกาลงโทษที่มีไยลุกโชติช่วงพวกเขายินทํางานให้เขา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 ขั้นเมื่อเราได้กำหนดความตายแก่เขาไม่ได้มีสิ่งใดบ่งชี้แก่พวกเขาถึงความตายของเขานอกจากปลวกใต้ดินแทะกินไม้เท้าของเขาดังนั้นเมื่อเขาล้มลงพวกยินจะรู้อย่างชัดเจนว่าหากพวกเขารู้ในสิ่งที่พณนยานวิสัยแล้วพวกเขาจะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานที่น่าอดสูดเช่นนี้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 พวกเจ้าจงบริโภคจากปัจจัยอย่างชีพของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและจงขอบคุณต่อพระองค์อันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีพระเจ้าผู้ทรงอภัยต แต่พวกเขาได้ผิตหลังดังนั้นเราจรึงปล่อยน้ำจากเขื่อนอาริมให้ท่วมพวกเขาและเราได้เปลี่ยนสวนสองแห่งของพวกเขาให้แก่พวกเขาแทนสวนอีกสองแห่งมีผลไม้ขมและต้นไม้พุ่มและต้นพุษราบ้างเล็กน้อย เช่นนั้นแหละเราได้ตอบแทนพวกเขาเนื AH no ่องจากพวกเขาเนรคุณและเราไม่ได้ลงโทษผู้ใดนอกจากพวกเนรคุณว่าจัลลัล بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرآن ظاهرته وقدرنا فيها السير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 ถ้าจริงอันนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลายอย่างแน่นอนแก่ทุกคนผู้อดทนผู้กระดันอยู่และโดยแน่นอนอิบลีสได้ทำให้การนึกคิดของมันที่มีต่อพวกเขาเป็นจริงแต่นั้นพวกเขาจึงได้ปฏิบัติตามมันเว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาส่วนน้อยเท่านั้น َمَا عَلَيْهِمْ مِّنْ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْ مَنْ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْ كَانَ سُلْطَانٍ إِلَّا بِالْآخِرَةِ إِلَّا شَكْ لَهُ هُوَ من فِي بِالْآخِرَةِ و และมันไม่มีอานาจใดๆเหนือพวกเขาเว้นแต่เพื่อเราจะได้รู้ว่า ผู้ใดศรัทธาต่อวันพรโลกจากผู้ที่มีความสงสัยในเรื่องนั้นและพระผู้วิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่ง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 ผู้ช่วยเหลือใดๆที่มาจากพวกมันการสาหคือการช่วยเหลือ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 ุุลลลิิาวออนนนยมมดดัเฟีบจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่พวกเจ้าจากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าอัลลอฮ์และแท้จริงไม่เราก็พวกท่านแน่นอน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่เราได้ทำผิดและเราจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่พวกเจ้ากระทำ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 กล่าวเอารุ่นยาที่นั่น ر ัลฮักต์บ่ให้ชุรคะแค่ ا ل ลลูวะอัลลอฮฺอัลอาซิซุลฮะคิมจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงแสดงให้ฉันเห็นบรรดาที่พวกเจ้าได้นำไปตั้งเป็นพาขีร่วมกับพระองค์ไม่ดรอกพระองค์คือเอาล้อผู้ทรงเดชาลุภาพผู้ทรงปริชายา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 ซึ่งเจ้าจะขอให้ล่าช้าสักระยะหนึ่งก็ไม่ได้และจะร่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นก็ไม่ได้ ال ال ال ال الظالمون عضهم ون, ون ع عض กลููีนนนดดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานนี้และต่อสิ่งที่มาก่ออัลกุรอานและหากเจ้ามูฮัมหมัดได้เห็นเมื่อบรรดาผู้อาธรรมจะถูกให้หยุดยืนต่อหน้าพระผู้อภิบาลของพวกเขา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 وقال الذين ا س ت ط ع ف و ا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهاض إذ تأمرونا ن أن ن ك ف ُ ر بالله ونجعل له أدادا وأسر الندمت ا لم ما رأوا العذاب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 และเราได้ตั้งพาคีคู่เคียงกับพระองค์และพวกเขาจะซ่อนความสำนึกผิดเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษและเราได้เอาโซ่คล้องที่คอของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆนอกจากที่พวกเขาได้กระทำไว้ ลแล้วเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนคนใดไปยังตำบลใดนอกจากบรรดาผู้ฟุ่มเฟือยในตำบล น, นั้นจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมาวนับบิ และพวกเขาได้กล่าวอีกว่าพวกเรามีทรัพย์สินและลูกหลานมากกว่าและพวกเราจะไม่ถูกลงโทษออจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงแห่ปัจจัยอย่างที่แก่ผู้ที่พรงค์ทรงประสงค์และทรงแห้แรนแคนแต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ว่ามาอมวาลุกมวลาเอาลาดุกบิลลาทีตักดิบุกุมอนดะนาซุลฟา และไม่ใช่ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าที่จะทำให้เจ้ากล้ชิดสนิทกับเรา นอกจากผู้ศรัทธาและกระทำความดีดังนั้นชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับการตอบแทนเป็นสองเท่าตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างปลอดภัยบ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 มม ل ل และ ว, วันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเขาทั้งมวลและพระองค์จะทรงตรัสแก่มาลายกาฮวาพวกเขาเหล่านั้นหรือที่เคารพพักดีต่อเจ้า a บ l Subhanak a n ว a ิ l i y a n Min d u n h i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 พวกเจ้าจงลิมรสการลงโทษของไฟนรกที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธมันเถิดุุุอก َقَالُوا َقَالَ لِلْحَقِّ مَا هَذَا إِلَّا إِلَّا كَفَرُوا إِخْكُمْ مُفْتَرَى لَمَّا ال جَاءَهُمْ هَذَا الَّذِينَ إِنْ ا إ และเมื่อบันดาองการอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาคือมุสริกีแล้ว พวกเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชายคนหนึ่งที่ต้องการจะยับยั้งพวกเจ้าจากการที่บรรพบรุษของพวกเจ้าได้เคารพพักดีมาก่อนและพวกเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเรื่องเท็จที่ถูกอุปโลกขึ้นและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวในเรื่องศัจธรรมเมื่อมันได้มาอย่างพวกเขาว่านี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากมายากลอย่างชัดแจ้ง ววและเราไม่ได้ประทานบรรดาคำเี้ยให้แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาศึกษาค้นคว้ากันและเราไม่ได้ส่งบรรด า, าศาสนาทูตไปยังพวกเขาก่อนหน้าเจ้าในฐานนะเป็นผู้แจ้งข่าวราย ا آ และบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาก็ได้ปฏิเสธสัจธรรมมาแล้วและพวกเขาชาวคูเรชมกักะไม่ได้มีถึงหนึ่งในสิบของที่เราได้ให้ความมั่งคั่งแก่พวกเขา ดังนั้นก็ดีพวกเขาได้ปฏิเสธบรรด า, าศาสนาทูตของข้าดังนั้นการปฏิเสธจะเป็นอย่างไรต่อพวกเขาลออออ Ad ad จงกล่าวเถิดมูฮัมห ม, มัดว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าเพียงข้อเดียวว่าพวกเจ้าจงยืนขึ้นเพื่อเอาล็อครั้งละสองคนและคนเดียวและจงไตรตรองดูก็จะพบว่าสหายของพวกเจ้านั้นไม่ได้เป็นบ้าแต่เขาเป็นเพียงผู้ตักเตือนพวกเจ้าถึงการเผชิญหน้ากับการลงโทษอย่างสาหัสเท่านั้น จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไม่มีรางวัลัใดที่ฉันจะขอจากพวกเจ้าเพราะมันเป็นของพวกเจ้าแต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง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 ว่าเมื่อความจริงได้ปรากฏความเท็จก็จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่กลับมาอีกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากฉันหลงผิดฉันก็จะหลงผิดเฉพาะตัวของฉัน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 และแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริงมาก่อนแล้วและพวกเขาขว้างทิ้งปฏิเสธสิ่งเร้นลับจากสถานที่อันไกลเช่นนั้น และระหว่างพวกเขากับสิ่งที่พวกเขาต้องการมีสิ่งกีดขวางอยู่ดังเช่นที่ได้ถูกปฏิบัติมาก่อนแล้วกับพลพรรคของพวกเขา ถ้าจริงพวกเขานั้นอยู่ในความสงสัย